ผู้มีสติตื่นตัวอยู่เนืองนิดมีจิตเป็นอิสระจากราคะและโทสะละบุญและบาปได้ย่อมไม่กลัวอะไรพุทธภาษิต สิ่งนึงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่บ่อยในระยะนี้ซึ่งเป็นระยะปลายปีต่อต้นปีก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดผวองกันนะคะว่าปีหน้าจะเป็นยังไงปีหน้าจะเหมือนปีนี้ไหมปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าเศร ษ, ษฐกิจไม่ค่อยจะดีและหลายคนก็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 เรียกว่าแทบจะทุกปลายปีต่อต้นปีก็ว่าได้และสิ่งหนึ่งซึ่งเรามักจะรู้กันเห็นกันก็คือว่าคำทำนายเนี่ยหาใช่จะเป็นจริงทั้งหมดหรือ1้0ยอ์ไม่คำทำนายอาจจะเป็นแค่คำพยากรณ์ที่ต้องดูผลอีกทีว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเกือบทุกคนก็ว่าได้ลุ้นนะคะว่าเอ๊ะปีหน้าจะเป็นยังไงคงไม่ทุกคนนะคะขอเช่อว่าเกือบทุกคนก็นแล้วกันค่ะ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 ทุกวันเวลาเราสามารถทําได้เลยเรากําลังทํางานอะไรอยู่ถ้าจิตมันกังวลถึงอ น, นาคตเราก็มีสติรู้มันจะไม่เป็นที่เราคิดหรอกเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีแตการเปลี่ยนแปลงมันมีความไม่แน่นอนทําไมเราจึงไม่มองโลกในแง่ดีเสีย บ, บ้างเราคิดว่าปีหน้าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรามองให้เป็นไปนทางดีบ้างไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิ่งหลาอย่างที่เรากังวลรุ่งหน้าแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยบางทีกลับกลายเป็นสิ่งดีไปซะด้วย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 มันเป็นการตั้งหลักเพื่อจะให้เราตั้งหลักสติ <คะ S 2> ให้มันเกิดขึ้นพราสติเกิดเนี่ยอะไรอะไรมันก็หายไปหมดแหละเสียเวลาไปคิดสิ่งเหล่านี้แล้วก็งัวนอนไม่หลับมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นปีหน้าปีไหนจะเป็นยังไงไม่สําคัญหรอกวันนี้เราทําให้ดีซะวันนี้ทําให้ดีทําให้ดีที่สุดนะวันนี้ดีเนี่ยวันนี้แหละก็คืออดีตของพรุ่งนี้เราทําวันนี้ดีซะ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 เราก็ต้องเช็ดเขาทำใจเราเพื่อนเราต้องเช็ดเขาให้สะอาดด้วยเราคิดในแง่ลบเราก็คิดบวกได้ด้วย2อย่างแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยคือคือความคิดที่ยังไม่เกิดขึ้นต่างนั้นเลยก็ต้องไม่เชื่อมันตั้งคู่เชื่อตัวสตินต่างหาของจริงอันนี้ของจริงแน่นอนนะคะเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆไหนมีตัวสติตัวเดียวเนี่ยมันหลุดพ้นจากปัญหาคือจิตใจไม่ต้องไป็ูตกับมันก็ขอย้ํากันตรงนี้เลยสําหรับเพื่อนของเรานะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิต ในวันข้างหน้าในเดือนข้างหน้าหรือว่าในปีข้างหน้าไม่ใช่เรื่องสําคัญเท่ากับวันนี้วันนี้สําคัญกว่านะคะเ น, นี่ยคือเกิดจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่มเถิ น, เ<พ>นะคะอาจารย์<ๆ>เราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นก็ได้ค่ะเนีเ่ย <laughs> เรามีชีวิตที่เป็นอิสระด <c oughs> ีกว่าจะไปเชื่อคําำพยากรเชื่อคนนน้นเชื่อคนนี้เสียทุกคนไปค่ะ <c oughs> เราจะไม่มีความสุขนะชีวิตเราเนี่ยมันต้องควบคุมตัวเองได้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 แล้วก็การกิเลสซึ่งตอนเนี้เราควรจะมาหันมาดูใจเราว่าตอนเนี้เรากําลังถูกคุกคามอยู่น ะ, ะนกิเลสกาลังคุกคามอยู่ราคะโทสะโมหะโอหนี่แหละคือมันคุกคามเราอยู่โมหะคือความกลัวราคะคือความโลภโทสะคือความโกรธโมหะคือความกลัวกลัวอนาคตกลัวอะไรก็รู้กลัวที่สิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยกำลังคุก ค, คามจิตคุก ค, คามใจเราอยู่เนเราต้องจัด ก, การตรงนี้ด้วยการประกันชีวิตด้วยธรรมะ เพื่อป้องกันความกลัวเราจะได้มีชีวิตที่เป็นอิสระไม่ต้องกังวลเรื่องอันดีตไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจุบันจึงให้มาประกันชีวิตด้วยธรรมะปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนฝึกให้ทานอยู่เสมอเสมอเราต้องฝึกที่จะให้อย่าเป็นแต่ผู้รับไปายเดียวคนที่มีแต่จะรับจะรับก็ เ, เปนิสัยที่มีดีที่ต้องรับอยู่เรื่อยไปทำไมรับมันก็เครียดฝึกเป็นผู้ให้ การให้เนี่ยไม่ใช่ให้แต่สิ่งของอย่างเดียวไม่จะให้ทรัพย์สินเงินทองเป็นวัตถุไม่ใช่อย่างเดียวถ้ามีเออราก็ให้นะให้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะให้ก็คือการให้อภัยการให้น้าใจมีน้ําใจต่อคนใกล้ตัวเราต่อเพื่อนของเราต่อสังคมต่อเพื่อนร่วมโลกการให้แบบเนี้ยถือว่าเป็นพื้นฐานของจิตที่ทําให้เรามีความสุข ที่คิดจะให้ย่อมมีความสุขกว่าจิตที่คิดอยากได้ของเขาเนี่ยการให้เนี่ยสำคัญมากซึ่งเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายเลยให้เวลากับคนใกล้ตัวเรากับลูกกับสามีกับภรรยาเมื่อให้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เป็นการให้สิ่งภายนอกแต่การรักษาศีลมีชีวิตที่มีศีนห้าเป็นนิดศีลห้าเนี่ยมันป้องกันเวรภัยได้ภัยพิบัต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 ในจิตใจเราแม้ว่าภาัยข้างนอกอาจจะเกิดขึ้นถึงอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีสติเอาไว้ควบคุมภายในใจพิษภัยต่างเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำใจเราเป็นทุกข์ได้เนี่ยเราทำอย่างนี้ดีกว่าให้ทานรักษาศีลเจริญสติอยู่หนึงน่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในอันจิตใจฟังดูแล้ว <c oughs> ดูดีนะคะ <c oughs> แต่ก็เหมือนจะเหลือเชื่อนะคะว่าแค่เรา ล้อมรั้วบ้านรั้วใจของเราด้วยศีลด้วยธรรมเนี่ยจะทำให้เกิดผลเป็นศีลรักษาธรรมคุ้มครอง <c oughs> ได้ขนาดนั้นดูดีมากเลยค่ะแต่บางคนอาจจะไม่ค่อยมั่นใจว่าเราจะจริงขนาดนั้นเลยชีวหรือเปล่าอ่าดีมากเราอยากให้เราลองดูคนที่มีการให้ทานรักษาศีลจเจริญสติภาวานายอยู่เสมอเสมอเนี่ย จิตใจจะมีความมั่นคงแล้วก็มั่นใจต้องทดลองดูนะอย่าเชื่อโดี<อ>๋เอาไปทดลอ ง, ลองแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อ น, นอกจากจะไม่กลัวภัยแล้วเนี่ยชีวิตเรายังเปลี่ยนไปในทางดีใช่มมีความเปลี่ยนไปมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตต้องทดลองดูฟังแล้วคิดแล้วนั่นเป็นเพียงแค่ความฝันเราต้องเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงลองปฏิบัติดูสิสักเจ็ดวัน เจ็วันเนี่ยไม่ถึงกับบรรลุธรรมนะอาจจะ <c oughs> เริ่มเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น <c oughs> เริ่มจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตอย่ารออย่ารอไปหาความสุขตอนปีใหม่ค <c oughs> เดี๋ยวนี้เราก็เริ่มได้แล้วเราไม่จะคิดว่าจะทําอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขในช่วงปีใหม่ไปแล้วคะเนี่ย <c oughs> รอปีหน้าอ๋อย่าไปรอเลยเดี๋ยวนี้เราก็ทําได้ค <c oughs> เนี่ยอย่างตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้ผิดศีนที่ไหนเราทําความดีซะด้วยคือการฟังธรรมค ถ้ามีการภาวนารูกตัวไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเรายิ่งทําครบเลยนะสมบูรณ์ยิ่งเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจเลยชีวิตเราเนี่ยมันแน่นอนแล้วล่ะคืออยู่ในโลกเนี่ยโลกคือความไม่เที่ยงโลกคือความแตกทําลายเนี่ยถ้าเราอยู่ไปจนกระทั้งคู่กับโลกเนี่ยอยู่คู่กับโลกไปถึงว่ามีอายุเท่ากับโลกเนี่ยเราก็ต้องแตกทําลายไปพร้อมกับโลกถึงเราไม่ตายก่อนโลกแตกตอนโลกแตกเราก็ต้องตายอย่างวันเนี้ย เรีว่าเราตายทุกขณะก็ได้โดยเพราะร่างกายเร่อยมนไหมผมเราก็ล่วงแล้วเซลล์ต่างๆในร่างกายในขี้คลายต่างๆเราขัดเราถูนั่นละเซลล์ผิวหนังก็ค่อยๆตายไปแต่มีการสร้างใหม่เพื่อเป็นการทดแทนร่างกายก็มีแตการเปลี่ยนแปลงของเก่าตายไปของใหม่สร้างมามันตายอยู่ทุกขณะแล้วจิตใจเราเหนอะใจเราก็ตายทุกขณะจิตความคิดเกิดขึ้นความคิดก็ดับไป ค, ความโกรธเกิดขึ้นความโกรธก็ดับไปทุกอย่างในมีแตการเปลี่ยนแปลง หายใจเข้าอเดี๋ยวก็หายใจออกมันเปลี่ยนแปลงมันตายทุกขณะจิตอยู่แล้วเนี่เ ป, นเป็นเป็นตายแบบปัจจุบันเนี่ยเราสังเกตดูบ่อยๆแล้วปัจจุบันนี่เราก็ตายอยู่แล้วอนาคตนี่อย่าไปกงังวลเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็ตาม <c oughs> ที่เรากลัวเราหมั่นเข้าใกล้เถอะถ้ากลัวแล้วเราเข้าใกล้เนี่ยมันจะเกิดความเคยชินเจอเสือเราลองศบตาเสือนานๆเราจะไม่กลัวเสือ <c oughs> ถ้าเรากลัวความตายนึกถึงความตายบ่อยๆก็จะคุ้นชินกันไม่กลัมันจะไม่กลัวตายคนที่ดู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 จัดคะแล้วทีนี้ที่ในพุทธภาษิตที่นํามาเป็นข้อคิดข้อทําวันนี้กล่าวเอาไว้ว่าผู้มีสติตื่นตัวอยู่เนืองนิดมีจิตเป็นอิสระจากราคะและโทสะละบุญและบาปได้ย่อมไม่กลัวอะไรเนี่ยนะคะละบาปเนี่ยแม้ก็ใครๆก็คงเข้าใจอะคะ่ะบุญต้องละด้วยเหรอคะอ๋อบุญนี่ทำให้มากๆทําแล้วก็อย่ายึดมั่นถือมันอ๋อถ้าเกิดความยึดมันม่นแปลว่าเรามีบุญ มันจะมีตัวเราที่จะรับบุญแล้วถ้ามีตัวเราเนี่ยถ้ามีตัวเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกมันมีการเกิดแก่เจ็บตายแตกดับเห็นไหมเพราะฉะนั้นบาปไม่ทำบุญทำแต่อย่าไปยึดมั่นถึงมั่นถ้าบุญแล้วก็บาปจิตจะพองแผ่วเป็นธรรมะขั้นสูงระดับสูงสุดเลยก็ต้องเข้าใจกันให้ตรงเหมือนคำที่อาจารย์วสินชอบใช้นะคะหมุในใจให้ตรงว่าละบุญเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ทาบุญนะคะ แต่ละบาปเนี่ยแปลว่าไม่ทําบาปละบุญเนี่ยหมายถึงอย่ายึดติดถือมั่นในบุญที่เราทําครับไม่ใช่เลิกทาบุญนะคะเดี๋ยวจะเถนตรงเข้าใจความผิดละยุ่งเลยก็คำยึดมั่นถือมั่นในบุญเนี่ยเราถือว่าทําให้เราเป็นทุกข์นะคนที่มีบุญมากนที่จะทุกขมากไม่ใช่ว่าทําบุญมากเราเป็นทุกข์เพราะว่าเราวางจิตวางใจไม่ถูกต้องสร้างบอกสักหลังหนึ่งต้องจารึกชื่อของฉันเริ่มยึดติดแล้วทําความดีทําบุญแล้วก็ต้อง ได้สิ่งนู้นได้สิ่งนี้ทำความดีแล้วต้องมีคนมาชมเรามันเป็นการทำให้ตัวตัวเราสูงมากยิ่งขึ้นความดีหรือบุญเนี่ยเรายกเอาไว้และเราก็ทำให้ถึงจุดนู้นแต่ว่าไม่ใช่เราถึงตรงนู้นทำบุญแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญเอาความเป็นเราออกซะถ้ามีความเป็นเราเมื่อไหร่แล้วก็ทุกข์ก็จะเกิดขึ้นตามมา